มหาุริษลักษณะของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระ อ, องค์มีลักษณะอย่างไรในลักษณะแต่ละอย่างเหล่านั้นก็ยังมีกรรมเป็นเป็นเหตุให้ได้พราลักษณะเหล่านั้นอย่างมหาุริษลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างครั้งก่อนนี้ได้กล่าวถึงว่าพระองค์มีผิวพันละเอียด ฝุ่นทุลีละ อ, องไม่ติดไม่เปื้อนพวรากายก็มาจากกุศลประเภทเข้าไปไต่ถามปัญหากับสมณะพรา์ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรประพฤติไม่ควรประพฤติประพฤติอะไรแล้วเป็นเหตุให้ได้รับทุกต่อไปประพฤติอะไรแล้วเป็นเหตุให้ได้รับความสุขความเจริญนะการเข้าไปใต่ถามอย่างนั้นแล้วเอามาประพฤติปฏิบัติตามนั้นอ่ะ เป็นเหตุให้ท่านได้ผิวผิวดีผิวละเอียดแม้แต่ฝุ่นละอองก็ไม่ติดไม่เปื้อนอันนี้ทำให้ได้รูปร่างกายลักษณะนี้และได้อันนี้สองพิเศษจากการเข้าไปแต่ธรรมคือถ้าหากว่าบวชได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นผู้ที่มีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาร่าเริง มีปัญญาว่องไวมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาทาลายกิเลสไม่มีสรรพสัตว์ผู้หนึ่งผู้ใดที่จะมีปัญญาเสมอเท่ากับพระองค์ก็เกิดจากต้นเหตุหรือกรรมที่พระองค์ได้ทรงเข้าไปแต่ถามสมณพราหมณ์นั่นเองอวันนี้ก็มาถึงกรรมข้อต่อไปที่ทำให้ได้พระมหาปุริสลักษณะข้อต่อๆไปเหตุที่ทำให้ได้มีผิวพรรณเหมือนทองคํา อนนะผิวพันธุ์ละเอียดนี่ก็ดีแล้วนะมีผิวพันธุ์เหมือนทองคำอีกใครอยากมีผิวเหมือนทองก็ฟังดูนะดูความพิสูจทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกําเนิดก่อนเป็นผู้ไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นใจแม้คนโหมมากว่าเอาก็ไม่ขัดใจ นะถูกใครว่าก็ถูกตำหนิก็ไม่ระคายเคืองใจเพราะงั้นนะไม่โกรธไม่พยาบาทไม่จองผลานไม่ทําความโกรธความเคืองและความเสียใจให้ปรากฏนะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีจิตใจประกอบด้วยความโกรธ<ๆ>เขาเรียกว่ามีใจเหมือนแผลผู้ที่มีใจเหมือนแผลนั้นถูกอย่างอื่นกระทบกระทั่งนิดๆหน่อยๆ พวกน้องพวกเลือดก็จะไหลออกมาจิตของคนที่มักโกรธก็เป็นลักษณะเดียวกันถ้าหากว่ามีคนว่ากล่าวบอกเตือนตำหนินะก็บอกว่าน้องแอพวกเลือดพวกน้องก็ทะลักออกมาตรงนี้พระตถาคตนั้นในอดีตชาติสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นท่านไม่โกรธไม่พยาบาทไม่เคืองแลก็ไม่แสดงความเสียใจให้ปรากฏ และเป็นผู้ให้เครื่องลาดนะก็อีกอย่างหนึ่งนะไม่โกรธ ด, ด้วยและให้เครื่องลาดที่มีเนื้อละเอียดอ่อนให้ผ้าสําหรับนุ่งหม่มนะคือผ้าโคมพัฒมีเนื้อละเอียดอะนะนะคือให้ทานประเภทละเอียดละเอียดปนนีดปนิดอนะ่ะให้ผ้าฝ้ายก็ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดผ้าไหมมีเนื้อละเอียด แต่แสดงว่าไหมก็มีหลายเกรดเลยนะนะก็เลือกเอาแบบละเอียดละเอียดให้ผ้ากำพลมีเนื้อละเอียดตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสังสมพ่อภูนภัยบุญนะก็ทําให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะจากการไม่โกรธ ด, ด้วยแล้วก็ให้ผ้าเนื้อละเอียดด้วย จติจากสวรรค์นั้นมาแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มาหาบุริษลักษณะนี้คือมีผิวพันธ์เหมือนทองคํามีผิวหนังคล้ายทองคำนะผิวหนังคนแต่ว่าลักษณะคล้ายทองคําอันผู้ใดยอยากจะเห็นผิวของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้ไปดูแท่งทองชมพูนุชที่ที่ละเอียดบริสุทธิ์นั่นแหละผิวของพระ อ, องค์จะเป็นลักษณะนั้น พระมหาบุรุษนี้สมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วจะได้รับผลพิเศษเพิ่มไหมจากทําเหตุแบบนี้ไว้จะได้รับอานิสงส์พิเศษก็คือจะได้เครื่องราชมีเนื้อละเอียดทั้งได้ผ้านุ่งหม่มคือผ้าโคมพัฒมีเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายมีเนื้อละเอียดผ้าไหมมีเนื้อละเอียดผ้ากำพล มีเนื้อละเอียดอันแต่ละคนที่ได้ใช้ผ้าเนี่ยเนื้อผ้าเนี่ยนะผิวของผ้าก็แตกต่างกันนะทุกคนบางคนเนี่ยใช้ผ้าเนื้อหยาบบางคนใช้ผ้าเ น, น, นื้อละเอียดอ่าบางคนเนี่ยได้สัมผัสผ้าเนื้อหยาบปั๊บเนี่ยเหงื่อแตกเลยใช้ไม่ได้เลยต้องใช้ผ้าเนื้อละเอียดอย่างเดียวมันจึงก็มาจากกรรมนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันแม้แต่ผ้า นะโพธารมเหล่านี้ก็มาจากกรรมที่แตกต่างกันคิดดูนะว่าจริงๆแล้วโพธารมคือผ้าผ้าจริงๆนั้นเป็นเป็นรูปอะไรผ้าก็คืออุตุชรูปใช่ไหมโพธารมอันนั้นมาจากอุตุชรูปจริงแต่ผู้ที่จะได้ใช้ผ้าแต่ละอย่างที่ดีหรือไม่อันนั้นอยู่ที่ที่กรรมในอดีตก็เกี่ยวข้องด้ว ย, ยนั่นแหละ ถ้าพระมหาบรุษออกทรงผนวดจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือทรงได้เครื่องราชมีเนื้อละเอียดอ่อนที่ที่อยู่ที่อาศัยของพระ อ, องค์เนี่ยแม้กระทั่งผ้าปูที่นอนของพระ อ, องค์ก็ละเอียดอ่อนทรงได้ผ้าสาหรับนุ่งห่มคือผ้าโกโมพัด เนื้อละเอียดผ้าฝ้ายมีเนื้อละเอียดผ้าไหมมีเนื้อละเอียดผ้ากำพลคือผ้าขนสัตว์ก็มีเนื้อละเอียดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้นะตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในพลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษทรงอธิษฐานความไม่โกรธและได้ให้ทานคือผ้าเป็นอันมาก ล้วนแต่มีเนื้อละเอียดมีสีดำรงอยู่ในภพก่อนๆส่งสีสละเหมือนฝนตกทั่วแผ่นดินนะพระองค์เนี่ยให้ผ้าเนี่ยให้มากจริงๆอย่างให้สมัยที่เป็นเวลามาพร้ามก็ให้ผ้าเป็นหมื่นพับอ่ะให้เป็นคนที่ให้ให้จริงๆเลยพระโพธิสัตว์เนี่ยสมาทานเรื่องการให้เนี่ยให้ในระดับที่ว่าเหมือนหม้อคว่าอ่ะแล้วก็ไม่โกรธท่านก็ไม่โกรธจริงๆนะ ท่านรักษาศีลหลายชาตินะเขาแย่ขนาดไหนก็ไม่โกรธอย่างเป็นขันติวาทีดาวบทเขาตัดแขนตัดขาเคี่ยมตีขนาดไหนก็ไม่โกรธหรือแม้เป็นจันทกุมารเป็นกุมารเล็กๆอ่ะ เ, เป็นเด็กนะก็ไม่โกรธอันท่านอธิษฐานความไม่โกรธอย่างมั่นคงมากการที่พระ อ, องค์ทรงไม่โกรธอย่างนี้แหละเป็นเหตุให้มีผิวพันธ์งานมีผิวพันธ์เหมือนทองคํา ใครไม่อยากงามนะโกรธมากๆเขา ย, ยังไม่ทันด่าก็รีบโกรธก็เลยได้โอกาสด่าทันทีเนี่ยเนี่ยไม่ต้องปาทนาเลยเนี่ยให้ผลแน่นอนเพราะว่าคนขณะโกรธนะถึงนุ่งห่มผ้าละเอียดดีขนาดไหนก็ก็ไม่งามอยู่นั่นแหละคนมากโกรธนะจะใส่สร้อยคอ ง, งามใหญ่ขนาดไหนก็ก็ไม่งามอยู่นั่นแหละครั้นทรงทากุศ ล, ลกรรมนั้นแล้วจุติจากโลกมนุษย์ เข้าถึงเทวโลกสเสวยวิบากอันเป็นผลกรรมที่ทรงทำไว้ดีแล้วมีพระชวีเปรียบด้วยทองดุจพระอินผู้ประเสริฐกว่าเทวดาย่อมครอบงำในเทวโลกถ้าเสด็จครองเรือนไม่ปรารถนาที่จะทรงพนวดก็จะทรงปกครองแผ่นดินใหญ่ทรงได้รัตนะเจ็ดประการและความเป็นผู้มีพระชวีสะอาดละเอียดงาม ครอบงำประชุมชนในโลกนี้ถ้าทรงผนวดก็จะได้ผ้าสำหรับทรงครองเป็นเครื่องนุ่งห่มอย่างดีและเสเวยผลกรรมที่เป็นประโยชน์ดีที่ทรงทำไว้ในพบก่อนความหมดสิ้นแห่งผลกรรมที่พระองค์ทำไว้หามีไมนะ่กรรมที่จะทำให้พระองค์เนี่ยทุกยากเนี่ยไม่มีอีกแล้วตรงนี้ข้อความในอัตถกถาท่านอธิบายไว้ว่า คำว่าเป็นผู้ไม่มีความโกรธความว่าไม่ใช่เพราะความที่ตนละความโกรธได้ด้วยอนาคามมมัคพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติเป็นพระอนาคามีหรือยังยังเนาะเพราะฉะนั้นอาการละความโกรธนั้นขณะนั้นไม่ได้ละด้วยความเป็นพระอนาคามีแต่เพราะความที่ตนไม่อยู่ในอำนาจของความโกรธอย่างนี้นะวิธีที่จะไม่ให้โกรธก็คือ แม้หากว่าความโกรธเกิดขึ้นแก่เราเราก็จะบรรเทาความโกรธนั้นเร็วพลันทีเดียวนะถ้าโกรธเกิดขึ้นปุ๊บสามารถที่จะหักห้ามใจได้เขาบอกว่าผู้ที่ความโกรธเกิดขึ้นสามารถระ ง, งับความโกรธได้ผู้นั้นเรียกว่าสารถีชนที่เหลือเรียกว่าคนถือเชือกอนะถ้าหากว่าสมัยก่อนเรียกรถม้าใช่ไหมพวกรถมา้ารถม้าเขาจะมีเชือกหรือว่าพวก พวกเกวียนเนี่ยก็จะมีถเชือกถือเวลาขับเกวียนเวลาขี่รถเกวียนเนี่ยที่นี้ก็บอกว่าคนที่ถือเชือกนี่เขาเรียกว่าสารถีใช่ไหมก็บอกว่าคนที่ห้ามความโกรธได้เรียกว่าสารถีแท้ๆเพราะสามารถครับเบรกอยู่นะส่วนที่เหลือก็เรียกว่าคนถือเชือกสมัยนี้ก็เรียกว่าคนที่ไม่สามารถห้ามความโกรธได้ก็เรียกคนถือพวงมาลัยไม่ใช่ไม่ใช่สารถีแบบนั้น นั้นความโกรธนั้นเป็นกิเลสที่ที่อันตรายมากเลยถ้าหากว่าเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลใดสภาพความมืดมันจะเกิดขึ้นในขณะนั้นโลกนี้ไม่มีความทุกข์ใดที่จะเกิดขึ้นเท่ากับโทสะนะทุกกายยังพอทำเนาแต่ทุกใจนี่มันมันทุกข์จริงๆริงคนที่เครียดบ่อยๆงดหงิดง่ายหรือว่า เห็นความผิดพลาดของคนทั่วไปเลยคนเหล่านี้หาความสุขทางใจได้น้อยที่สุดมากเพราะคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ใช่ไม่ได้คนนั้นก็ไม่ไ้นความโกรธนั้นจะหาข้อผิดพลาดข้อบกพร่องของตุกคนอื่นเขาและเอามาคิดนะเอามาคิดยังไม่พออีกบางคนถึงกับเอาไปพูดด้วยนะคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ใช่ไม่ได้ คล้ายๆก็ว่าล่วงมาเป็นวจีทุจริตล่วงเป็นวจีกรรมอันน้นบาปอากุศลที่เกิดขึ้นในขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นนั้นนะ่ะคนโกรธจึงเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดขณะที่เขาโกรธเขาก็ไม่มีความสุขด้วยและไอความโกรธที่เขาสะสมมาเนี่ยเจตนาที่เกิดร่วมกับความโกรธก็มีมีผลถ้าตต่อไปก็เลยมีผิวพรรณไม่งามเลย ถ้าหากว่าโกรธเกิดขึ้นบอกอดใจเน้อเหมืงนกันไม่งามนะชาติหน้าก็ไม่งามด้วยหรือว่าชาติหน้าไม่เกิดอีกแล้วถ้าไม่เกิดอีกแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกนะนะถ้ายังเกิดอีกนานเนี่ยแหมเรไปเจอชาติหน้าเกิดมาแหมบนอับ พ, พับเลือเกินชาตินี้ไม่หลอเลยไม่งามกับเขาเลยนะมันนั่งบนมันความทุกข์อย่างหนึ่งของคนไม่งามก็มีเหมือนกันนะน้อยอกน้อยใจ ระหว่างกันเห็นคนอื่นก็ได้ดีไปหมดแต่เราทุกอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นความขัดใจก็คือความขุนเคืองใจจิตของคนที่เป็นโทสะนี้พระองค์ตรัสว่าจิตเหมือนแผลเลยอั้นถ้าหากว่าระ ง, งับความโกรธได้ไม่ติดเหมือนหนามงอวางกันแทงจุดสําคัญของร่างกายในที่นั้นๆไม่ใช่เหมือนกับน้ําเกี่ยวนะแต่ก็ไม่ไม่ขัดใจแบบนั้น ก็คือผ่านแล้วก็ผ่านไปบทว่าไม่โกรธไม่ปองร้ายเป็นต้นความว่าความโกรธเกิดขึ้นก่อนความพยาบาทมีกำลังมากกว่าความโกรธนั้นความจองล้างจองผลมีกำลังกว่าความพยาบาทนั้นที่แรกก็โกรธก่อนใช่หหลังจากนั้นก็พยาบาทพอพยาบาทเสร็จก็คิดจองล้างจองผลพระตถาคตไม่ทรงทำด้วยคาทั้งหมดนั้นจึงไม่โกรธไม่พยาบาทไม่จองล้างจองผล ไม่ทําความโกรธความเคืองและความเสียใจให้ปรากฏคือไม่ทําให้ปรากฏด้วยกายวิการหรือวจีวิการไม่แสดงออกมาทางสีหน้าโกรธแต่ก็ไม่แสดงออกมาทางสีหน้ากิริยาท่าทางไม่แสดงออกมาทางถ้อยคําเป็นผู้ไม่โกรธตลอดกาลนานนะก็คือเหตุหนึ่งภายในคือไม่โกรธเหตุที่ 2. ก็คือให้เครื่องลาดให้ผ้าเนื้อละเอียดชื่อว่ากำในที่นี้ จึงอยู่ผิวพันธุ์ของคนมักโกรธเป็นผิวพันธุ์เศร้าหมองหน้าตาดูหน้าเกลียดเชื่อว่าเครื่องตกแต่งเช่นผ้าสำหรับปกปิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นชนใดมักโกรธท่าเดียวและไม่ให้ผ้าสำหรับปกปิดชนนั้นจงรู้ความที่เขาเป็นผู้มีผิวพันธุ์เศร้าหมองมีสวดทรงหน้าเกลียดแต่หน้าของคนไม่โกรธแจ่มใสมีผิวพันธุ์ผุดผ่อง มีผิวพันธุ์ผ่องใสจริงอยู่ความเลื่อมใสของสัตว์ทั้งหลายด้วยเหตุสี่ประการนะก็บอกว่าจะหน้าดูหน้าชมก็หนึ่งด้วยการให้แล้วก็ด้วยการให้ผ้าด้วยการให้เครื่องร่อนเครื่องลาดเครื่องกวาดหรือด้วยความเป็นผู้ไม่โกรธนนะเหตุที่สําคัญที่สุดก็คือหนึ่งการให้ผ้าก็บอกว่าการให้ผ้าคือให้ผิวพันธุ์วันลนะ อัคนไม่งามถ้ามีเสื้อผ้างามงามดีๆใส่มันก็น่าดูพอมควนกันน ะ, ะถึงถึงรูปร่างไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไม่เด็กงามอมไร้เลยแต่ถ้ามีผ้าบางอย่างตัดเข้าสมส่วนสมซองเข้าอมก็น่าดูกันแต่ถ้าหากว่าไม่งามอยู่ด้วยผ้าจะมามานุ่งมาห่มก็ไม่มีไปกันใหญ่เลยมันก็ยิ่งจะ น, น่าเกลียดอันเหตุให้งามจึงหนึ่งการให้ผ้าประเภทเนื้อละเอียด ก, กับไม่กรด นะแล้วเหตุเหล่านี้ทั้งหมดนี้พระตถ า, าคตได้ทรงบำเพ็ญแล้วตลอดกาลรรนานทีเดียวด้วยเหตุนั้นโลกพร้อมทั้งเทวโลกจงรู้ความที่เหตุเหล่านี้พระตถ า, าคตทรงบำเพ็ญมาแล้วเพราะฉะนั้นพระมหาปริศลักษณะมีสีเหมือนทองย่อมปรากฏขึ้นชื่อว่าคล้ายกังและลักษณะชื่อว่าลักษณะความเป็นผู้ได้เครื่องราชมีเนื้อละเอียดเป็นต้นชื่อว่าอ น, นิสงส์อ น, นิสงส์ของการทําเหตุ ประเภทนี้เอาไว้เนาะเพราะฉะนั้นจ <c oughs> ำเนี่ยอย่าประมา <c oughs> ทเลยทีนี้อีกต่อไปในะเรื่องของความโกรธและอุบายเรื่องเครื่องระ ง, งับความโกรธนะโ อ, อกาสหน้าเราคงได้ได้กล่าวกันละเอียดหน่อยนะว่าความโกรธมีโทษร้ายแรงขนาดไหนแล้วก็อุบายที่จะระ ง, งับ ความโกรธนั้นจะเจริญอย่างไรซึ่งเราจะได้เอามากล่าวโดยพิสดารโดยตามคำพีต่างๆนะถ้ามีบุญคงได้ฟังอะนะถ้าธรรมามีบุญก็คงได้ทำบุญประเภทเอาพระสูตรอย่างนี้บาตรถ้าหมดบุญก็ไม่ได้กวิบาปมันก็ไม่เกิดใช่นะ <c oughs> ดูก่อนพิสูจทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกําเนิดก่อน เป็นผู้นําพวกญาติมิตรสหายผู้มีใจดีที่สูญหายพัดพ ร, ราดไปนานให้กลับมาพบกันใครให้ว่าจัดสถานนับพบะนะคนที่พัดพรากจากการก็ประกาศให้เขามาพบมาพบปะเจอกันนํามารดาให้พบกับบุตรนําบุตรให้พบกับมารดานําบุตรให้พบกับบิดานําบิดาให้พบกับบุตรนําบิดากับพี่น้องให้พบกันนําพี่ชาย กับน้องสาวให้พบกันนำน้องสาวกับพี่ชายให้พบกันครั้นนำเขาให้พบพร้อมเพรียงกันก็ชื่นชมนะทำให้คนมีความสุขด้วยการได้มีโอกาสพบปะเจอเจอกันซึ่งเขาจากกันนานแล้วนะซึ่งไม่มีโอกาสที่จะพบกันได้อะก็สามารถที่จะจัดให้เขาเหล่านั้นพบกัน อ, อันนี้สองเลยกระบอกตาาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนทำสังสม พ, พ่อภูณภัยบุญเข้าสิงสุขติโลกสวรรค์เหมือนกันนะถ้าจุติจากสุขติโลกสวรรค์มาถึงความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปริศลักษณะนี้คือมีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝักเหมือนช้างอะ่ะพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพละลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิด้วยพลักษณะนั้นนะถ้าเป็นพระราชา จะได้อะไรบอกเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระโอรสมากเหตุที่ที่มีลูกมากก็คือทำให้คนเนี่ยได้มีโอกาสพบปะเจอกันราชบุตรของพระองค์นี่มีกว่าพันนะถ้าเป็นพระราชามีลูกกว่าพันล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษักริ์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้นะถ้าไม่บวชนะมีลูกมากกว่าพัน ฟังแล้วทุกใจแทนเลนนะะฟังแล้วกลุ้มเลยแต่เขาเป็นพระราชานะมีปัญญาเลี้ยงอะไรนะขนาดนั้น น, นนะถ้าทรงออกผนวดจะได้เป็นพระอาหารหันต์ตระสั ม, มาศพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเ mm hmm. มื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเ mm hmm. มื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระโอรสมากอา้าวเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังมีโลกมากานั่นแหละ mm hmm. โอรสของพระองค์นี่มีจํานวนหลายพัน โอรสของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระโสดาบันเป็นต้นเชื่อว่าเป็นโอรสที่เกิดจากอกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่ธรรมเนรมิตขึ้นอันโอรสของพระองค์ก็นับตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ทั้งหลายเชื่อว่าเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างพระพระสารีบุตรหรือพระราหุลผู้ทาชิโนรสใช่เป็นโอรสที่เกิดจากอกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่เกิดโดยธรนะเป็นผู้ที่ธรรมเนรมิตรธรรมะสร้างขึ้นก็ถือว่าเป็นบุตรของพระ อ, องค์เหมือนกันอย่างนางวิสาขาอนาถบินธิกะเศรษฐีก็ชื่อว่าเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาพเจ้าด้วยเพราะพระ อ, องค์นี้ประทานเป็นผู้ที่ให้โลกุตระธรรมนะพ่อแม่ทั่วไปก็จะให้เนื้อให้เลือดหรือให้การเลี้ยงดูให้ชีวิตให้ความรู้บางอย่าง แต่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นให้ความพ้นทุกในสังสารวัตรให้ข้ามพ้นจากวัตฏทุก์ทั้งหมดนะผู้ที่เป็นพระโสดาบันไปแล้วความทุกข์ที่มันมากมายมหาศาลทุกขของปุถุชนทั่วไปเหมือนกับแผ่นดินแผ่นดินนิ่มกว้างใหญ่ไพศาลนะทุกของพระโสดาบันเนี่ยเหลือเท่ากับฝุ่นที่อยู่ในปลายเล็บเหลือเท่านั้นเองนะความทุกข์ที่จะมีในวัตฏะแต่ว่าสัตว์ทั่วไปเนี่ยมัน ไม่รู้ที่สุดมันอยู่ที่ไหนมันจะต้องไปอย่างนี้อีกนานหรือเปล่าถ้าไปแล้วอยู่เท่าเก่านี่มันเจ๋อนะแต่ปัญหามันก็ขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเนาะก็เหมือนกับอากาศนะถ้าอากาศมันเย็นขนาดนี้ก็พอก็พออยู่ได้ใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยมันหนาวกว่านี้บางแห่งมันหนาวจนถึงเป็นน้ําแข็งเลยบางแห่งก็ร้อนซะจนอยู่ไม่ได้เลยบางแห่งเนี่ยอยู่ใล้ใกล้เตาอบนั่นแหละโอมันร้อนอย่าบอกใครเลย ร้อนจนเขาเรียกว่าพวกผดพวกอะไรเนี่มันขึ้นขึ้นเต็มตัวเลยนะถ้าหากว่ามันร้อนเข้าจริงๆนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งหู oh. ผดเนี่ยมันขึ้นเต็มตัวหมดเลยต้องออกอะ่ะผมร้อนขนาดนั้นไปที่บางแห่งเนี่ยมันหนาวสุดๆเลยนะก็หน้าหนาวก็อยู่ในน้ําอีกโอ้ไปกันไนะนวิบากที่ที่เกิดขึ้นจากกรรมวัดเนี่ยเป็นโทษที่มันน่ากลัวจริงๆไม่รู้ว่าเราจะรับอะไรอีกนะก ในพบภูมิต่อไปข้างหน้าหรือในวันข้างหน้าต่อไปอีกร่างกายของเราที่มีอยู่ทั้งหมดอย่าคิดว่ามันไม่ป่วยไข้เพราะทุกส่วนมันเป็นรังของโรคเลยทุกส่วนเป็นโรคได้มากมายสรารพัดที่จะเป็นอะไรวันนี้สบายพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ป่วยวันนี้ยิ้มแย้มแจม่มใสพรุ่งนี้ก็พูดไม่ออกมันก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงศีรษะนั่นแหละ ทุกแห่งนี้เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดหมดเลยเป็นที่ตั้งแห่งทุกขกายยะวิญญาณทั้งหมดทุกขกายยวิญญาณเหล่านี้มาจากเหตุคืออะไรแมชาวณจิตชาวณจิตเหล่านั้นเนี่ยมีเจตนาเกิดร่วมด้วยเจตนาเหล่านั้นนี่แหละเป็นเป็นตัวปัจจัยทั้งเป็นโดยปกตูปานิสยะปัจจัยและนา น, นักขานิก ก, กรรมปัจจัยที่จะทําให้วิบากเหล่านี้เกิดขึ้น ปุตุชนนั้นได้รับความทุกข์ทางกายเหมือนกับถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่หนึ่งปุถุชนเนี่ยทุกข์ทางกายแล้วยังไม่พอจะต่อด้วยทุกข์ทางใจเหมือนกับถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่สองพอทุกข์ทางใจเกิดขึ้นปับ๊บทำกรรมใหม่อีกแล้วนะโทสะเกิดขึ้นก็เป็นเป็นกรรมแล้วเหตุแห่งวัฏฏะทุกข์อีกต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่อบรมเจริญความรู้ให้มากๆจริงๆนะอยากคิดว่าจะพ้นจากวัตทุกเหล่านี้เลยใครบอกว่าโอ้เวียนไหวตายเกิดตายเกิดตายเกิดเดี๋ยวก็ฟลุกได้พ้นเองแหละวไม่มีทางพระพุทธเจ้ารับรองเองเลยว่าพระ อ, องค์เนี่ยนะสังสารวัฏอันยาวนานเนี่ยพบที่พระ อ, องค์ไม่เคยเกิดนะเว้นสุทธาวาดเสียแล้วที่อื่นเนี่ยที่ไม่เคยไป หาได้ยากเหมือกนหายากมากแสดงว่าเคยเกิดมาทุกภพทุกชาติหลายแห่งมามากแล้วอันจึงบริสุทธิ์ไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยการเวียนว่ายตายเกิดเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้แจ้งเองนั่นแหละอริยสัตว์ใช่ไหมเหตุผลยังไงครับที่ว่าชั้นสุทาวาสพระองค์ไม่ไปไปเกิดผู้ที่ปฏิสนธิชั้นสุทาวาสก็ต้องเป็นพระอนาคามีเท่านั้นเอง เป็นเป็นสวรรค์สําหรับพระอนาคามีจริงจะไปเกิด น, นะเรียกว่าสุทาวาตภูมิส่วนท่าสุท่านี่ไปว่าบริสุทธิ์อยู่แล้วที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์เรียกว่าสุทาวาตภูมิอันแต่ถ้าทั่วไปแล้วของปุตุชนนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปอยู่ในภพนั้นนั่นแหละต้องเป็นพระอนาคามีอย่างเดียวเป็นพรมชั้นไหนครับอเป็นพรมที่ที่สูงกว่าเวหัณฑลาขึ้นไป พอเวหัปธลาอาวิหะอตัตาปาสุทสาสุทศีาอัคนิฐาเป็นยังเป็นรูปรภพอยู่ยังเป็นรูปรภพรประเภทจตุทชาลแต่เป็นชาลพิเศษสําหรับพระอนาคามีนั่นแหละในเรื่องของภพเหล่านี้เนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดพระอนาคามีนั้นต้องได้ชาล์ที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าและไปอยู่ในภพนั้นและพระอนาคามีเนี่ยมีหลายประเภท สําสหรับผู้ที่ไปปฏิสนธิในสุทาวาทภพส่วนศัพท์ทั่วไปแล้วเนี่ยหวังว่าเมื่อไหร่จะได้ไปปฏิสนธิในภพนั้นบ้างบอกว่าต้องได้สเบียงอย่างน้อยที่สุดความเป็นผ้านาคามีอานาคามีเนี่ยรู้แจ้งอริยสัจครั้งที่สมมัคคสั์เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สาม เป็นภาวนามรรคที่เกิดขึ้นแทงตลอดอริยสัจที่เคยเห็นแล้วจากสกทาคามีสกทาคามีก็รู้แจ้งอริยสัจที่เคยรู้แล้วจากพระเป็นสมัยเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นอริยสัจโดยสมบูรณนะ์เรียกว่าโดยสมบูรณ์แบบแบบพระอริยเจ้าเบื้องต้นนะเพราะว่ามรรคนี้เรียกว่าทัศนมรรคส่วนมรรคชั้นสูงต่อไปเรียกว่าภาวนามรรค นั้นอริยสัจที่โสดาปฏิมัคคจิตเกิดขึ้นในการแทงตลอดอริยสัจนั้นต้องมาจากวิปัสนาญาณต่างๆเพราะว่ามัคคสัจหรืออริยมรรคโสดาปฏิมรรคก็คือญาณทัศนวิสุทธิใช่ไหมญาณทัศนวิสุทธิก็เป็นรถผลัดที่เจ็ดแล้วรถผลัดที่เจ็ก็มาจากรถผลัดที่หปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเพราะฉะนั้นผู้นั้นจะต้องนาเนินปฏิปทาไปในไปในเรื่องของ สัจจานุโล ม, มิกายานเป็นยานที่อนุโลมต่อสัจจะอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าปฏิปทายานทัศนวิสุทธิเป็นประเภทพลวะวิปัสนาเป็นประเภทนิพพานุปัสนาทีนี้ก่อนที่ปฏิปทายานทัศนวิสุทธิจะเกิดขึ้นคนนั้นต้องรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางเรียกว่ามคามขายาณทัศนวิสุทธิมัในใล้ค่ากับเราพูดถึงกรุงเทพก่อนใช่ไหมย้อนมาเรื่อย ค่อยๆกลับมามันนั่งอยู่ตรงนี้ได้นะเราก็เอาชั้นสูงเงืนมานก่อนแล้วค่อยๆไล่ลงมามาคามัคคยานทัศนะ์วิสุทธินั้นก็คือรู้รู้ความแตกต่างว่านี้เป็นทางนี้ไม่ใช่ทางวิปัสสนูปกิเลสทั้งสิประการไม่ใช่ทางนะสติปัญญาหรือวิปัสนาปัญญาที่ตามพิจารณาโดยความเกิดขึ้นและดับไปอันนี้เป็นทาง แล้วก็เจริญรแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นทางไม่ใช่ทางนะแยกแยะในตัวปัญญาได้ในขณะไหนเป็นการปฏิบัติเข้าสู่หนทางขณะไหนไม่ใช่ปฏิบัติเข้าสู่หนทางขณะที่วิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาสังเกตจากข้อความในวิสุทธิมรดย์ด้วยในสัทธ ร, รมมะปกาเซนีด้วยท่านกล่าวถึงว่าผู้ที่เห็น โลกิยาอริยสัจแลระดับโลกิยาอริยโลกิยาสัจจะแล้วรู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีเขาจึงจะวิปัสสนูปรกรณ์จึงเกิดขึ้นมีความชัดเจนในเรื่องของโลกิยาสัจจะอย่างลึกซึ้งจนจนเกิดตากฏการบางอย่างขึ้นเช่นสว่างสวยไปหมดเลยจนนึกว่าได้ดีแล้วสามารถอย่างถึงวันนี้ทุกสัต์นี้สมุทัยสัตว์ ถ้าไม่มีอันนี้อันนี้ต้องไม่เกิดเนี่ยยังถึงขนาดนั้นจึงจะเกิดวิปัสสนูปกิเลส ข, ขึ้นะแล้วก่อนที่วิปัสสนูปกิเลสจะเกิดขึ้นนั้นคนนั้นต้องใครครวนในเรื่องของตีรณะปริญญาอย่างนี้นะเขาเรียกว่าตีรณะปริญญาโดยอาการสี่สิบสองเนี่ยค่อนข้างจะแตกฉานมากเลแม่นยำเขาเรียกว่าศึกษาเพื่อการสลัดออกอย่างเดียว นะตามเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีในขันห้าตลอดเวลานะพวกนี้ตีรณะปริญญาจึงจะเกิดขึ้นนั้นตีระปริญญาจะเกิดขึ้นได้จะต้องกังขาวิตรณวิสุทธิต้องแม่นยำมากข้ามพ้นความสงสัยในเรื่องของปัจจัยนะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปัจจัยเป็นอย่างดีปัจจัยที่ว่านั้นยยอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องกรรมมะปัจจัยมั่นคงในหลักกรรมเป็นอย่างมาก จนพอมีความมั่นคงในเรื่องกรรมมากจนเห็นว่าพบสามกําเนิดสี่คติห้ามันครบไม่ได้มันคบไม่ได้เหมือนไฟไหม้อะมันไม่น่าอยู่สักแห่งเลยก็เจริญกุศลธรรมเพื่อการสลัดออกอย่างเดียวงั้นคนที่จะรู้ถึงปัจจัยคนนั้นจะต้องรู้จักขันห้าเป็นอย่างดีนะรู้จักขันห้าเป็นอย่างดี